ขอเชิญพรท่านผู้บริหารโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตลอดจนผู้ทุกท่านที่มีความสนใจในการคืนหัวใจสวนระบบสุขภาพ อาตอมาอยางจะเริ่มต้นตรงนี้ว่าโลกและชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ทุกอย่างมันก่อรูปจากความสัมพันธ์ไม่ว่าสิ่งใกล้หรือสิ่งไกลก็ล้วนแต่มีผลกระทบต่อเราทั้งสิน้น ดวงอาทิตย์ซึ่งแม้จะอยู่ไกลถึงหลายหลายล้านกิโลนะแต่ก็สามารถจะส่งผลต่อสุขภาพของเราได้เพราะฉะนั้นนักภาษาอะไรกับสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็คือใจนะใจนี้เนี่ยนะย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพสุขภาวะ และความสุขของเราไม่มากก็น้อยในอดีที่ผ่านมาโดยอว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเรื่องของสุขภาพถูกตีกรอกให้อยู่ที่เรื่องของตายเท่านั้นและยิ่งพูดถึง ความเจ็บใข้ได้ป่วยแล้วก็มักจะเจอดตรงไปที่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเชื้อโรคอาจจะเป็นสารพิษหรือสารเคมีแต่ว่าวิทยาการที่เพิ่มมากขึ้นทาให้เราพบว่าความเจ็บป่วยนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุจากปัจจัยที่หลากหลายมาก สิ่งที่เราเรียกว่าสุขภาวะก็ประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมากมายไม่ใช่แค่เชื่อโรคไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นพิษและในบรรดาหเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือจิตใจของผู้คนก็มีส่วน ในการปรุงแต่งหรือส่งผลกระทบ ต, ต่อสุขภาพของเรายิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์มีความซับซ้อนมากขึ้นความนึกคิดของเรามีความลึกซึ้งและซับซ้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเรล่านี้เองที่ไปมีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของเราในแพทย์เทอร์เบิรเป็นสันซึ่งเป็นแพทย์และวิทยาศาสตร์ของมาหาวิยทยาลัยอาวเวิร์ดซึ่งทาการศึกษาเรื่องของความเครียดติดต่อกันมากว่า20ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยที่คนหรือวงการแพทย์เนี่ย มองไม่เห็นเลยว่าการไอความเครียดเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรเพราะว่าไปจํากัดความเครียดว่าเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับร่างกายแต่ว่าผลจากการศึกษาวิจัยของแพทย์และบริษัทมาเป็นเวลาร่วมสาทศาวรรษเนี่ยได้ข้อสรุปว่าในบรรดาผู้ที่ไปหาแพทย์ เพราะความเจ็บป่วยเนี่ยประมาณร6อยลถึงเกเนี่ยความเจ็บป่วยของเขาเกี่ยวข้งของกับความเครียดหรือเกี่ยวข้องกับใ จ, ใจิตใจไม่ทางใดก็าทาห น, นึ่งร้อย0ถึงเกนะตัวเลขนี้อาจจะดูอาจจะทำตัวเลขอาจทให้มิติของความเจ็บป่วยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องซึ่มเราจะดูแคลน มิติทางด้านจิตใจไปไม่ได้เวลานี้เราพบว่าโรคภัยไข้เจ็บจำมวนไม่น้อยซึ่งเราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีความมันมีมิติของอารมณ์ความรู้สึกหรือพอความเครียดความกังวลความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะอย่างเช่น เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วนะฮะทางมหาวิทยาลัยเวิลวด์เนี่ยนับแพร่สารเนี่ยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะจำนวนกว่า 1,600 พรคนนะและพวบว่าคนที่ไม่สามารถจะควบคุมความโกรธได้หรือพวกที่ชอบโกรธอยู่เป็นอาจิมเนี่ยนะมีความเครียด พขาบอว่ามีตราการกําเริบของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยมากเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับคนที่มีจิตใจสงบหรือว่าสามารถวควบคุมตนเองได้นี่คือเมื่อสิบปีที่แล้วปัจจุบันนี้การวิจัยหลายต่อหลายอย่างมันก็ได้ยืนยันในเรื่องนี้ว่าเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับโรคหัวใจนั้นนเกี่ยวข้องกันมากถ้ามาดูโรคมะเร็งนะมีการศึกษาหลายชิ้น ยกตัวอย่างเช่นมีการส า, าชิ้นหนึ่งเพนะระเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ย210คนส่วนใหญ่นะฮะจะมีประสบการณ์ชีวิตคล้ายกันก็คือมีความเศร้ามีความเปลี่ยวเหงาในวัยเด็กมีปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่เมื่อโตขึ้นก็ประสบกับความผิดหวังในชีวิตเช่นถูกออกจากงานลูกนี้จากคู่ชีวิตตายหรือเกิดความสิ้นหวังซึมเศร้า อันนี้คือเป็นตัวอย่างของโรคซึ่งเรารู้จักกันดีและเราสามารถที่จะหาสาเหตุหาตำแหน่งที่มันติดพลาดได้เช่นรู้ว่าโรคหัวใจเนี่ยมันมีปัญหาเกิดอาการที่หัวใจเราพบความผิดปกติทางจิตทางร่างกายได้โดยโยงมาถึงสาเหตุ ท, ทางจิตใจแต่เวลานี่เราพบว่ามันมีโรคจานวนไม่น้อยซึ่งไม่สามารถจะ พบความผิดปกติทางกายได้แต่คนก็ป่วยอย่างเช่นในชนบทนะโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจัาหัดจังหวัดนี้จะพบมากทีเดียวผู้ป่วยซึ่งปวดหัวหายใจไม่เต็มอิ่มแน่นหน้าน อ, อกนะแต่ไม่พบอาการผิดปกติทางกายแต่ว่า พอมาสอบถามพ่อก็พบว่ามีความกังวลมีความเครียดเคยมีผู้ป่วยคนหนึ่งนะซึ่งอายุก็ไม่มากนะแต่ปรากฏว่าปวดท้องปวดหัวเรื้อรังความดันสูงต่อเนื่องกันมาหลายปีไปหาหมอเท่าไหรเท่าไหร่ ก็รักษาไม่หายที่สำคัญก็คืวหมอเนี่ยไ ม, ไม่สามารถจะหาความผิดปกติทางกายได้จนกระทั่งหมอเกิดจะถอนใจแล้วสุดท้ายหมอก็เอะใจขึ้นมาก็เลยถามประวัติว่าขอให้คุณช่วยเล่าประวัติให้หน่อยแล้วก็เล่ามาพอเล่ามาถึงเรื่องของพี่สาวเนี่ยพี่สาวคนสองคนก็จะเกิดอาการ เกิดอาการเครียดเกิดออกอาการออกมาหมอก็เลยสงสัยว่าตรงนี้แหละนะคือปัญหาเพราะว่าแ ก, กบอกแกโกรธพี่สาวเพราะพี่สาวเนี่ยไม่ไม่สนใจปล่อยปาละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลมันมีทั้งความโกรธมีทั้งความเม่อยต่ำใจหมอเลยฟังทงเลยนะฮะบอกว่ามีวิธีมีวิธีเดที่คุณจะหายจากโรกนี้ได้ ก็คือให้อภัยที่สาวทั้งสองคนจะเป็นเพราะว่าผู้ป่วยไม่เชื่อหรือไงไม่ทราบผู้ป่วยก็หายไปเลยนะหลายปีต่อมาก็คิีจดหมายมาบอกว่าตอนนี้หายป่วยมิเต็งทิ้งแล้วเพราะว่าให้อภัยที่สาวนะมีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยอายุแค่ยี่สิบเจ็ดปีมีอาการคลื่นไส้ ระบบด้วยอาหาริดปกติน้ำหนักลดถงสิบห้ากิโลก ร, รมัมนะแล้วก็เช่นเดียวกั น, นคือว่าไม่ไม่พบความผิดปกติทางกายหาไม่เจอนะรักษาเท่าไหร่ก็ด้วยยาเนี่ยก็ไม่หายแต่เมื่อสอบถามประวัติเนี่ยก็พบว่าไม่สอบถามประวัติ แกเริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกถึงเริ่มทำจะเริ่มสังเกตได้ถึงปัญหา mm hmm. เมื่อได้จดหมายจากลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแกโกรธเพราะว่าไปแอบหลักน้อยกับแฟนของแกแกโกรธมากนั mm ้น hmm. พอได้รับจดหมายจากลูกพี่ลูกน้องเนี่ยอาการพวกนี้ก็เกิดขึ้นเลยพอไปคุยเรื่องเรื่องให้หมอฟังหมอก็เลยพอจะจับได้ว่า ปัญหาหรือสาเหตุเนี่ยคงจะอยู่ที่ความโกรธนะลูกพี่ลูกน้องคนนี้แล้วก็เช่นเดียวกันขนะฮะขอเข้าให้อภัยลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยอาการก็หายนะอันนี้เนี่ยมันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นตัวอย่างของโรคในปัจจุบันซึ่งมันไม่ใช่โรคที่หมอเนี่ยจะสามารถจะนิยามได้ว่าคือโรคอะไร เพราะว่าไม่สามารถจะหาความผิดปกติทางกายที่เจาะจงได้แล้วเป็นกันเยอะมากนะนะแล้วเมื่อสาวไปสาวไปก็บอกก็ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับจิตใจไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมิติของจิตใจเนี่ยมันเราได้พบมากขึ้นว่ามันเกี่ยวข้องส่งผลกระทบต่อร่างกายทําให้เกิดความเจ็บป่วย ทั้งทงความเจ็บปวดที่เป็นโรคที่เรานิยามได้หาความผิดปกติทางกายได้ทางที่อวัยวะแต่เอาวัยวะหนึ่งได้และโรคที่ไม่สามารถจะนิยามหรือหาความผิดปกติอย่างจอะจมลงไปที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเยียวยารักษาสุขภาพโดยเฉพาะการเยียวยาร่างกายเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยมันมีความจําเป็นมากที่เราจะต้องให้ความสังหารเรื่อจิตใจจิตใจสามารถจะเป็นพลังบันทอนร่างกายให้สุดและในทางตรงข้ามจิตใจก็สามารถที่จะเป็นพลังที่ทําให้ร่างกายคุณรางที่ดีขึ้นอาจารย์ประเวศท่านเคยเล่านะฮะว่าสมัยที่เป็นยังยังทำยั ง, ย, งยังทำการรักษาผู้ป่วยอยู่ที่ หลงพิบาลสลิล่าท่านเป็นผู้ป่วยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิวิทยามีคราวหนึ่งก็มีผู้ป่วยนะตัวซนะีนอนเปรมาให้ท่านรับตรวจดูอาจารย์ปวีก็สั่ถามผู้ป่วยเสร็จแล้วก็คุยกับนักศึกษาแพทย์ที่มาดูอาการด้วยกันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคโลหิตเป็นโลหิตจางเพราะว่า พยาดมันยาดปรับของเข้าไปในร่างกายนะโลคนี้รักษาไม่ยากนะเดี๋ยวให้กินยาให้กินเหล็ก น, นะก็จะดีขึ้นก็จะดีวันดีคืนด้วยพูดเสร็จท่านก็เหลียวไปที่ผู้ป่วยเพราะว่าผู้ป่วยลุกขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าคุณหมอถ้ามันถ้ามันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้แล้วไอ้เผลอนีอ่วันแล้วก็เข็นปเปออกไปเลยทีแรกไม่มีแรงไม่มีแรง ต้องให้ต้องเขียนเปลมาแต่ทําไมพอพอมาตรวจกับคุณหมอประเวศก็กลับมีเรื่องมีแรงเลี้ยวแรงมาจากไหนนะยังไม่ทันได้กินยาด้วยซ้นะคําตอบคือว่าจิตใจนะพอรู้ว่ามันไม่เป็นอะไรนะก็มีเรื่องมีแรงขึ้นมาและที่ไม่มีเรื่องมีแรงทีแรกก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความกังวล กลัวว่าฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าฉันจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าตัวสิ้นเงี้ยไอ้ความสึกแบบนี้เนี่ยมันเราปรุงแต่งว่าตัวเองเดียจะเป็นโรคร้ายก็ทําให้ไม่มีเรื่องไม่มีแรงแต่พอร่วมแ ล, ไล้ไม่เป็นโรคอะไรเลยไม่เป็นโรคอะไรสําคัญมากแค่พยบปากคอยก็กับสบายใจแล้วก็มีเรื่องมีแรงขึ้นมาเพราะเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยมันสามารถที่มีพลังในการรักษาคนได้ ทำให้สุขภาพหรือว่าร่างกายมีฟื้นผูขึ้นมาได้แต่สิ่งที่จะช่วยรักษาจิตใจปัจจัยหนึง่งที่สมัยก็คือเรื่องของศาสนาเวลานี้ก็ได้มีการศึกษาอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อสุขภาพอิทธิพลของความเชื่อทางศาสนาหรือเฉพาะศรัทธานในศาสนาว่ามันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง แล้วก็ได้พบว่ามันมีความสมัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากในมีการวิจัยหลายชิ้นในประเทศอเมริกาซึ่งในวงการแพทย์ซึ่งเคยเคยขิดเส้นแบ่งอย่างชัดเจนว่าความเชื่อทางศาสนากับเรื่องของสุขภาพนั้นไม่เกี่ยวข้องกันแต่ปัจจุบันการวิจัยหลายชิ้นมันได้ยืนยันว่าเส้นแบ่งที่มันเลือนลางมากจนกระทั่งไม่สมควรจะมีได้ซ้ํา มีการวิจัยผู้รับการผ่าตัดหวัวใจสองร้อยสาสิบสองคนนะพบว่าคนที่มีศรัทธาในศาสนาเนี่ยมีโอกาสรอดจากการผ่าตัดนะฮะเป็นสามเท่าของคนที่ไม่มีศรัทธามีงานวิจัยคริ่งที่พบว่าคนที่ไปวัดเป็นประจำไปโบสถนะฮะในของอเมริกาในโบสถ์ก็คือทุกวันอาทิตย์ มีโอกาสตายเพราะโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งะของคนที่ไม่ไปวัดเลยแต่ถ้าไปวัดทาสังฆทานนี่ไม่ทราบเกี่ยวต้องหรือเปล่านะฮะถามว่าไอ้การที่สุขภาพมันจะฟื้นฟูได้ดีขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอิทธิพลทางาศาสนาอย่างเดียวใช่หรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่ทีเดียวนะหมายความว่าคนที่ อาจจะไม่ได้มีศรัทธานในทางศาสนาเลยเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะฟื้นฟูจากความเจ็บป่วยได้ถ้าหากว่าจิตใจของเขาแต่ละการผ่อนคลายหรือว่าหายจากความหรือสามารถที่สัมผัสกับความสงบปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเรานี้ไม่สามารถจะเข้าถึงความสงบได้เนี่ยได้จากความกังวลความเครียดและความโกรธ ความโกรธเป็นปัจจัยหนึ่งนีการศึกษาว่าถ้าคนเรานี่โกรดน้อยลงล่ะสุขภาพจะดีขึ้นไหมคนเราจะโกรดน้อยลงเพราะอะไรฮะเพราะการให้อภัยคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาตั้งโครงการขึ้นมานชื่อว่าโครงการศึกษาการให้อภัย s t a n ฟอร์ดฟอร r บกิฟเนสโปรเจกศึกษาเรื่องว่าการให้อภัยมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างเอาอาสาสมัครอายุ 2,49 ปีที่ยังมีความโปรดอยู่เพราะว่าจะเพราะเหตุการณ์ในอดีตอะไรก็ตามเอามาเข้าคอร์สนะไม่ได้เข้าคอร์สปฏิบัติคำนะเอาแค่เอามาเข้าคอร์สฝึกจิตให้ใหอภัยไม่ต้องใช้ความเชื่อทางศาสนาเลย มาเข้าคอส6ครั้งครั้งละ50นาทีเขาก็มีวิธีการนำจิตให้ให้ให้ปล่อยวางหรือว่าให้อภัยผู้ป่วยยันะไม่ต้องถึงขั้นแผ่เมตตานะฮะแบบบบ้านเราเอาแค่ให้อภัยเพราะว่าความเครียดลดลงฮนะและอาการทางกายเช่นปวดหลงังปวดท้องกล้ามเนื้อเมื่อยตึงก็ลดลงนะมีการทำวิจัยอย่างนี้เนี่ย กับผู้ป่วยกับคนทั่วไปรวมทั้งผู้ที่ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์ทางการเมืองเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีถูกฆ่าจากการก่อการร้ายอย่างเช่นในไอแลนด์เหนือเอาผู้ที่มาม า, ม า, ม, ามาเข้าคอร์สแบบนี้ก็ปรากฏว่าอาการเจ็บป่วยทํากายก็ลดลงไปนะฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของความรู้สึกหายเครียดความรู้สึกโปร่งบางมากขึ้น การความป่วยมีที่ผลอย่างมากามีเป็นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความกับอารมณ์ความรู้สึกภายในใจของเราความเครียดความกังวลความโกรธแต่ขณะเดียวกันถ้าสามารถที่จะเยียวยารักษาอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยก็ทําให้ร่างกายดีขึ้นบางอย่างอาจจะใส การแพทย์ภัยบางอย่างจะอาศัยการมีศรัทธาในศาสนาหรือแม้จะไม่มีศรัทธาในศาสนาเลยเพียงแค่ศรัทธาในในหมอมันก็ช่วยได้นะเซอร์วิลเลียมออสเลอร์นะซึ่งได้รับการยุติองว่าเป็นแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษและอเมริกาเมือ่อต้นศตวรรษที่20่สคือเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ย <S <S เคยพูดไว้ว่าที่เขาเนี่ยสามารถจะบำบัดรักษา โรคไฟไ้เจ็บได้สำเร็จมันเกี่ยวข้องกับความรู้ทงการแพทย์ไม่มากเท่ากับเพราะว่าบุ ค, คลิกและพฤติกรรมของตัวแกเองบุ ค, คลิกพฤติกรรมของหมอเนี่ยมันมีผลในการเยียวยาผู้ป่วยได้มากกว่าความรู้ของหมอสิซึ่งนี้ตรงกับ ที่หมอวิลเลียมเฮนร i ่เวลช์หมอวิลเลียมเฮนรี่เวลช์นี่เป็นเป็นผู้ที่บุกเบิกวงการแพทย์ในอเมริกานะแกเป็นอีกคนที่ก่อตั้งคณะคณะแพทยศาสตร์นาาาในหมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะซึ่งเป็นเป็นตัวบุกเบิกสำคัญการแพทย์อเมริกาจนทั่งสามารถจะล้าหน้ายุโรปได้คุณอุปการใครใครก็บอกว่าคุณอุปการที่อเมริกาล้าหน้ายุโรปทางการแพทย์เนี่ยมาจากวิลเลียมเฮนรีเวล์ เพราะว่าแกมีบารมีในการสร้างลูกศิษย์ลูกขาขึ้นมาจงกระทถางสามารถที่จะผลักดันการแพทย์อเมริกาให้ลุกหนา้าฮิลลิเดตเคยพูดถึงพ่อของเขาซึ่งเป็นหมอเหมือนกันนะว่าทันทีที่ท่านเข้าห้องผู้ป่วยเนี่ยคนป่วยจะรู้สึกดีขึ้นทันทีแค่เข้ามานะฮะคนป่วยก็รู้สึกดีขึ้นทันทีเลยบ่อยครั้งไม่ใช่เพราะการรักษาของท่านแต่เพราะการปรากฏตัวของท่านต่างหากที่รักษาผู้ป่วยให้หายได้ หมอแล้วสบายใจเห็หมอแล้วรู้สึกว่ามีความหวังหรืออะไรก็แล้วแต่มันช่วยทำให้ความเจ็บความป่วยนี่บรรเทาบาบางไปได้ในเพียงแค่ศัทธาในตัวในตัวหมอในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันมีทิ่ผลมากในการเย อ, อยยาและจิตใจเนี่ยความความความสื่ทางจิตใจคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับผู้คน การที่เราได้สัมพันธ์กับผู้คนและเราสบายใจสบายมันช่วยในการรักษามีคนหนึ่งนะแกเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ใหญ่บริษัทหนึ่งนะอายุ60กว่าก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจก่อนที่เป็นโรคหัวใจก็ได้ยากับภรรยาแล้วก็เป็นโรคหัวใจก็ไปคขอยทำการรักษา พยายามปรับปรุงพฤติกรรมเช่นการกินอาหารงดสูบบุหรี่เหนี่ยวการออกกำลังกายมากขึ้นแต่ว่า โ, โรคหัวใจก็บรรเทาเบา บ, บางไปได้ไม่มากก็แปลกใจว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นก็ไปนค้นศึกษาเรื่องนี้ก็พบว่ามีรายงานการวิจัยหลายชิ้นที่บอกว่าคนที่ซึมเศร้าและเปล่าเปลี่ยวอ้างวางเนี่ยซึ่งตรงกับเขาเลย เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยส่งสินะใครครอบครัวก็อย่าล้างกันลูกก็ไม่มีแล้วก็ไม่ค่อยสมาคมกับใครเขาบอกคนที่ซึมเสาอ้างว้างเป่าเปียวเนี่ยซึ่งมีเป็นบุ ค, คลิกเดียวกับเขาเนี่ยมีโอกาสตายถ้าเป็นหัวใจนัมีโอกาสตายภ า, า, นะ า, ายใน6เดือนได้มากกว่าคนทั่วไป5เท่าเพราะอ่านตรงนี้เขาก็สะดุดใจแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย เราเขาเป็นตัวไม่ค่อยสมานโครงไข่แกเริ่มเปลี่ยนฮนะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากเปลี่ยนเรื่องอาหารเรื่องมีการออกกําลังกายมากขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มไปพบปะผู้คนมากขึ้นไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มต่างๆรวมทั้งไปช่วยงานอาสาสมัครมากขึ้นเพราก็ว่าสุขภาพดีขึ้นเป็นลําดับฮนะไม่ใช่แค่สุขภาพกายนะแต่เรามีสุขภาพใจด้วยแล้วความรู้สึกตอนต้อยหลังเนี่ยแกบอกว่าดีขึ้นกว่า ดีขึ้นกว่าก่อนที่จะเป็นโรคหัวใจสิคนนี้เนี่ยชื่อจอนแกก็เลยบอกว่าการไปโรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของแกเพราะเป็นโรคหัวใจก็เลยทําให้ตระหนับถึงการเปิดใจเข้าหาผู้อื่นและเมื่อเปิดใจรับรู้ผู้อื่นเนี่ยนะให้โรคหัวใจก็เลือนหายไป ไม่ต้องข่าตัดนะเพียแค่เปิดใจรับผู้อื่นสมาคมช่วยเหลือทำงานอาส า, าสมัครดังการการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยซึ่งมีผลต่อจิตใจเนี่ยมันมีผลเลยไปกวบานั้นมีผลต่อร่างกายด้วยมีการวิจัยศึกษานศึกษาเปรียบเทียบ ผู้ป่วยมาเลงเต้านมสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยทั้งสองกลุ่มนี้ทำการรักษาเหมือนปกติทําการรักษาตามมาตรฐานนะเพียงทกลุ่มแรกเนี่ยมีการพบปากพูดคุยกันระหว่างคนไข้มีการช่วยเหลือกันตามโอกาสมาพบปากันอาทิตย์ละ90้าสินาทีต่อเนื่องนานหนึ่งปีอาทิตย์หนึ่งท่านั้นเสินาทีชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องนานหนึ่งปีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็รักษา ไปตามไปตามมาตรฐานของหมอแต่ว่าไม่มีการจัดกลุ่ ม, มิจกรรมตามคนต่างอยู่เพราะกว่าอัตราการอยู่รอดของกลุ่มแรกเนี่ยมากเป็น2เท่าของกลุ่มที่2องหมายความว่ากลุ่มแรกเนี่ยคนที่ตายเนี่ยมีน้อยเป็นครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่2องและยังพบอีกว่าในกลุ่มที่2นะั้นเมื่อเวลาผ่านไป5ปีไม่มีผู้เปิดคนใดมีชีวิตรอดเลยนะอันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการศึกษาที่ผลกระทบต่อสุขภาพ และความเจ็บป่วยอันหนึ่งมันจากการมีปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เวลานี้เนี่ยการสิ่งที่เราเรียกว่าสุขภาพและความเจ็บป่วยเนี่ยมันมีมิติที่หลากหลายมากนะมันแยกไม่ออกจากการดำเนินชีวิตมันแยกไม่ออกจากสิ่งที่เราเรียกว่าสุขและทุกข์ในชีวิตคนเราเนี่ยสุขทุกข์คนเราเนี่ยมันอยู่ถ้าเราดูนะฮะสุขทุกข์ของคนเราเนี่ยมันจะมีไม่พ้นสี่เรื่องดูตัวท่านเงก็ได้นะฮะ หเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเช่นส่วนทรงรูปร่างหน้าตารวมทั้งสุขภาพอนะ้วนนักก็อาจจะทุกข์หรือว่าผอมนักก็จะทุกข์หรือว่ารู้สึกว่ า, เ, าเป็นโรค ก, ก็ทุกข์เม่ทุกข์เม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจด้วย 2. เรื่องทรัพย์สินเงินหายไม่ไดเ้เงินหายหรือว่า มีเงินน้อยไปมีทรัพย์สมบัติมีรถคันเล็กโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์มือถือไม่ทันสมัยไ ม, ไม่ไม่ทัดเทียมเพื่อนหรือว่าถูกหวยน้อยได้เงินน้อยออกว่าคนอื่นได้โบนัสน้อยออกว่าคนอื่นนะคนนี้ก็ทุกข์งานการตกงานไม่ได้เลื่อนขัน้นไม่ได้เลื่อนตาแหน่งนะก็ทําให้ทุกข์และความสมพัญกับผู้คนอกหัก คนรับพัดพราถูกตำหนิถูกวิจารณ์เจ้านายไ่เป็นธรรมเพื่อนกันแกล้งคนเราเนี่ยสุขทุกคนเราเนี่ยมันจะอยู่ในสีอย่างเนี่ยมันนีไม่ส่วนใหญ่นะี่นี้ไม่พ้นสีอย่างนะร่างกายสองทรัพย์สินและวัตถุ3งานการอาจจะรดลการเรียนด้วย4ความสัมพันธ์งผู้คนในสิ่งเหล่านี้มันเคยถูกถูกถือว่าเป็นอยู่ จัดว่าอยู่นอกแวดวงสุขภาพก็คุ้ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราคงจะขี่เส้นแบ่งอย่างนั้นไม่ได้ต่อไปเพราะว่าไอส้สเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถจะทำให้คนเจ็บป่วยได้และทุกวันนี้เจ็บป่วยกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความไม่สมหวังในสประการ เราพูดกันว่าความเจ็บป่วยหรือสุขภาพวะเนี่ยมีมีสมหรือ4ี่มิติเช่นกายจิตสังคมจิตวิญญาณนะแต่ถ้าพูดอย่างให้อย่างอยาเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะมาโยงกับ4เรื่องนี่แหละฮะนะก็คือว่าความสมองไม่สมหังเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรื่องทรัพย์สินเรื่องงานการและความสัมพันธ์กับผู้คนและในเรื่องของการรักษารักษากายเนี่ยอาตมาคิดว่าถ้าเราเห็นว่าใจนี่เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องรักษาเยียวยาด้วยเนี่ย ก็ต้องให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ในชีวิตของผู้ป่วยซึ่งจะโยงกับสีประเด็นนี้นะคราวนี้มันมีประเด็นอีกที่อรตามาคิดว่ า, น, าน่าสนใจที่จะพูดก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องการรักษาการรักษาใจเนี่ย ว่าใจเนี่ยมันมีส่วนในการช่วยเยียวยารักษากายด้วยแต่คำถามเกิดขึ้นก็คือว่าในกรณีผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถจะรักษากายให้ใหได้ผลคือรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายรักษาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีขึ้นในทางกายเลยแล้วลรื่งใจเราจะมาคิดว่าแม้จะรักษากายไม่ได้แต่การรักษาใจก็ยังจําเป็น มีหลายกรณีซึ่งผู้ป่วยเนี่ยหมดหวังแล้วในทางในทางการแพทย์คือไม่สามารถจะรักษาให้ดีขึ้นมาได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยยิ่งทำให้การรักษาใจเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้นซึ่งทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ให้ความสำคัญเพียงพอทำไมถึงการรักษาใจถึงเป็นเรื่องจำเป็นก็เพราะว่ามันช่วยให้ความเจ็บป่วยความเจ็บปวดและความเจ็บปวดลดลงได้ เพราะคนส่วนใหญ่ที่เขาเจ็บป่วยกันเนี่ยและเจ็บปวดเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยกายเดียวแต่เขาป่วยใจซ้อนทับลงไปเพระพระเจ้าเสียเทียบมมันก็กโดนธนูสองดอกธนูดอกแรกนี่ป่วยป่วยกายธนูอลยสองป่วยใจและบางครั้งอาตมาเพิ่มน่ะไอ้ธนูเลยสองเนี่ยบางทีทิ้มเองนะไม่ได้มีฉันมาทิ้มให้ทิ่มเองเพราะความนึกคิดที่ที่หวางมันไม่ถูกแม้ผู้ป่วยที่หมดหวังทางการแพทย์แล้วเนี่ย คือไม่สามารถเยีออยวยาทางกายได้การรักษาใจก็ยังจำเป็นเพราะมันช่วยทำให้เขาเจ็บปวดน้อยลงเพราะถ้าเจ็บปวดทุกวันนี้เนี่ยมันซ้อนกันสองอย่างคือเจ็บป่วยกายและป่วยใจการเยียวาการักษาใจ ช, ช่วยลดความเจ็บปวดทางกายท า, ทางใจซึ่งก็จะทำให้ความเจ็บปว่วยในภาพรวมเนี่ยมันเพาลงไปได้ และเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องจากไปการเยียวยารักษาใจก็ช่วยทําให้เขาตายอย่างสงบซึ่งการตายอย่างสงบนะั้นไม่ดีต่อผู้ป่วยเท่านั้นนะฮะแต่มาเป็นการเยียวยาครอบครัวด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมาจะกล่าวต่อไปการตายอย่างสงบเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเขาทำให้ได้รับการเยียวยาไม่ต้องไปเยียวยาด้วยการทําบุญ หรืจัดงานสพให้ยิ่งใหญ่หรือกระเราอันนั้นก็อาจแต่ว่าสามารถจะเยียวยาได้ในขณะที่หรือก่อนที่เขาจะสิ้นลมด้วยซ้ําถ้าหาว่าเขาเคลื่อสู่ความตายอย่างอย่างสงบเรื่องมาคิดว่าการรักษาใจในี่จําเป็นแม้กระทั่งผู้ป่วยไ ม, ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้นแม้กระทั่งผู้ป่วยที่โคม่าที่ไม่รู้สึกตัวหรือผู้ป่วยที่เราเรียกว่าผับ การรักษาใจก็จําเป็นนะซึ่งบางคนอาจจะสงสัยไว้าเขาไม่ตอบสนองแล้วเป็นผักแล้วโคมมาลแล้วรักษาใจจะช่วยอะไรได้เรื่องนี้เดี๋ยวตามา จ, จะกล่าวต่อไปแต่ตรงนี้จะความที่การัวนั้นเนี่ยก็ต้องมาพูดทําไมการรักษากายเนี่ยมันแม้จะแม้จะไม่แม้จะทําไม่ได้แล้วแต่การรักษาใจยังจําเป็นตรงที่มัน มีผลต่อสิ่งที่จะมาเรียกว่านิยามเกี่ยวความสําเร็จทางการแพทย์ทุกวันนี้เนี่ยนิยามความสําเร็จทางการแพทย์อยู่ที่การพยายามช่วยชีวิตรวมไปถึงการยืดชีวิตยืดลมหายใจให้ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเมื่อผู้ป่วยหมดหวังแล้วก็จะพยายามที่จะที่จะประคับประคอง สัญญาณชีพให้อยู่ต่อไปให้หนานที่สุดแม้ว่ามันจะไม่มีผลในการจันรลงหรือเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเลยถ้าากว่าเราเที่ยวความสาเร็จทางการแพทย์หรือที่การที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ตายผู้ง่ายๆถ้าเรานิยามอย่างนั้นเนี่ยามาคิดว่าการแพทย์เนี่ยหรือหมอและพยาบาลเนี่ย จะรู้สึกล้มเหลวอยู่บ่อยๆเพราะว่าคนเราเมื่อป่วยแล้วเนี่ยหรือแม้จะไม่ป่วยเลยในสุในสุดก็ต้องตายความตายเป็นธรรมดาของชีวิตการแพทย์ที่นิยามความสําเร็จหมายว่าผู้ป่วยต้องไม่ตายเนี่ยมันคือนิยามหรือมาตรวัดความสําเร็จซึ่งสวนทางกับความเป็นจริงของชีวิตและโลกแต่ถ้าเรานิยามใหม่ว่า ถ้าเขาอยู่เขาอยู่อย่างมีคุณภาพและความหมายแต่ถ้าเ็าตายเขาก็ตายอย่างสงบหมายความว่าแม้จะตายก็ไม่ถือว่าล้มเหลวและผู้ปว่วยจะตายก็ไม่ถือว่าแพทล้มเหลวหรือเปียาบา ล, ลุ่มเหลวถ้าหากว่าเป็นการตายอยูส่สงบนะเราเชื่อถ้าเราที่ยามความสำเร็จเสียใหม่โอกาสที่หมอจะและพยาบาลเนี่ย จรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ล้มเหลวเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะไม่ทอ้อแม้ผู้ป่วยจะตายแต่เราก็ก็ยังรู้สึกว่าเราได้ทำเราได้ทาดีที่สุดเพราะเราได้ช่วยผู้ป่วยใจกหกับไปอย่างสงอันนี้ไม่ใช่ความล้มเหลวอันนี้คือความสำเร็จการนิยามว่าผู้ป่วยต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้เนี่ยถึงจะเป็นความสำเร็จของหมอและพยาบาลเนี่ย การนิยามอย่างนี้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่านอกจากจะเป็นการสืนความจริงของมนุษย์และธรรมชาติแล้วมันยังทำให้การทุ่มเทท ร, รัพยากรเนี่ยผิดเป้าก็คือทุ่มไปพยายามพยายา ม, พยายามพุ่งไปเพื่อให้เขาอยู่ให้ได้แม้ว่าเขาจะหมดหวังแม้ว่าจะไม่จะสายหายไม่ได้ก็พยายามที่จะช่วลมหายใจให้ของเใมากๆบางทีอาจจะเป็นเจ็เดือนแปดเดือนสิบเดือน หรืออาจจะเป็นปีเวลานี้ทรัพยาการที่จะช่วยที่ทำกับผู้ป่วยในสถานนี้เนี่ยมีจำนวนศูนมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศอเมริกาประมาณ 60-70% ของทรัพยาการในการรักษาเนี่ยใช้ไปกับผู้ป่วยในช่วง 6-7 เดือนสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น 60-70% ในใช้ปในช่วง 6-7 เดือนสุดท้ายของชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการยืดชีวิตซึ่งอีกในหนึ่งก็คือการยืดความทุกข์ทรมานให้มากขึ้นมันทําให้การทําให้ทรัพยาการทุ่มเทไปกับสิ่งตรงนี้ซึ่งทำให้คนซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่ไม่ได้จะป่วยด้วยโรคที่ซับซ้อนแต่ถ้าเขาได้มีเตียงเขาได้มีหมอมาดูแลถ้าเขาได้มีพยาบาลมีมียารักษาพอสมควรไม่ต้องมากเขาสามารถจะอยู่รอดได้ทรัพยาการตรงนี้ บุคคลประเภทนี้ผู้ป่วยประเภทนี้ไม่มีโอกาสจะได้รับยาความประเภทนี้เพราะว่ามันถูกทุ่มเทเกัอการไปยืดชีวิตและยืดลมหายใจของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายชนะื่อมันคือมันไม่ได้ลดความทุกข์ของผู้ป่วยลงเลยกลับสร้างความทุกข์แก่ทุกฝ่ายด้วยสร้างความทุกข์แก่ผู้ป่วยเพราะว่ากระบวนการที่พยายามแทรกแซงผู้ป่วยนั้นเนี่ย มันทำให้เขาทุกข์มากขึ้นทุกกายและทุกใจด้วยทุกใจแม้กระทั่งกรณีผู้แม้กระังผู้ป่วยซึ่งโคมา่าหรือเป็นผักนะเนียอาตมาอยากจะย้าวีแม้กระทั่งเขาจะโคมา่าหรือเาหรือเาเป็นผักการใช้วิธีการทางการแพทย์แบบ invasive หรือแอค s รสีเนี่ยมันก็ทำให้เขาทุกข์ไม่น้อยทั้งกายและใจ แต่เรื่องนี้ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าการแพทย์เราถูกเรากบุคลากรทงการแพทย์ถูกฝึกมาเพื่อเพื่อลับมือกับหรือเพื่อจัดการกับความผิดปกติทาง ท, า ง, ทางร่างกายและขณะเดียวกันยิ่งเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้มากกว่า น, นี้เราก็ยิ่งให้ให้ความสำคัญกับเรื่องทางกายมากขึ้นโดยเฉพาะญาติ ad, ผู้ป่วยอยากจ ะ, สะแสดงความกตัญญูก็สแสดงความกตัญญูติดการว่าหมอเต็มที่เลย นะเขาคิดว่าสิ่งที่จะทำได้ในกรณีผู้ป่วยในสุดท้ายคือว่าการดำอัดฉีดเทคโนโลยีเข้าไปแต่เขาไม่ตระหนักว่ามันยังมีวิธีอื่นที่ดีกว่าอาจจะดีกว่าในการช่วยก็ได้นั่นคือการเยียวยาทางด้านจิตใจการารักษาใจ การรักษาใจแม้กระทั่งผู้ป่วยที่หมดหวังผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยสำคัญเพราะว่าแม้จะต้องตายแม้กายใกล้แตกตับแต่ก็มีสิทธิ์จาบไปอย่างสงบได้การจับไปอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคนแม้กระทั่งกับผู้ป่วยซึ่งเผชิญโรครายซึ่งอาจจะทำให้ เจ็ดขวทุกทรมานสิ่งนี้เป็นไปได้แม้กระทั่งเด็กสี่ขวบที่ขอัแก่นนี่ก็มีเด็กคนหนึ่งนะสี่ขวบจะเป็นมะเร็งไตข่านสุดท้ายวันสุดท้ายในชื่องอนแก่นี่กระสับกระสายมากหายใจไม่สะดวกเภสัชนิยซึ่งไม่ได้มีความรู้ทางด้านศาสนาเลยแต่รู้รู้จักเด็กคนนี้พอแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ย ชอบ U อ, งงอุตราแมนอุตราแมนจไหฮะอัตมาไม่จักเลคืออะไ ร, รจากแต่อุตราเซเว่นพยาบาลรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยชอบอุตราแมนนะขณเด็กกระสับกระส่ายเนี่ยพยาบาลบอกว่าให้เด็กหลับตาแล้วก็นึกนะว่าพี่เนี่ยจะพาหนูเนี่ยไปซื้ออุตราแมนพยาบาลกาลังใช้วิธีการนำจินตนาการ แล้วก็พูดให้เด็กพูดให้เด็กจินตนาการตามว่าระหว่างที่ไปซื้อจอมแมนนี่จะเดินผ่านสวนสัตว์จะเดินผ่านสนามเด็กเล่นเด็กก็จินต น, นาการและเด็กตอบสนองนะฮะเด็กก็ทําท่ากับจอมแมนแบบเนี้นะลืมกระสับกรสายไปเลยฮะพยาบาลก็พาไปนําจินต น, นาการไปตรงกรทั่งไปถึงอุจจาระไปถึงข้างสัปชิตทารกสูจอมามน ลูกธรรมศาสตร์เสร็จก็ได้ทราบากับแม่คุณแม่ว่าเด็กคนนี้เนี่ยรู้จักแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อเขียวก็บอกว่าพี่จะพาหนูไปหาหลวงพ่ อ, ขอเขียวนะไปกราบไหว้ด้วย ก, กนันเด็กก็ไปไปในความคิดนะพยาบาลก็นำอยู่สามสิบนาทีเด็กสงบเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสองสามชั่วโมงหลังจากนั้นเด็กก็จากไป จะจับไปอย่างสงมบน้องอองเป็นเด็กอายุสิขวบเป็นมะเร็งเม็ดเลือดแต่ว่าในวันสุดท้ายเนี่ยเลือดเป็นพิษน้องอ๋องนี้ก็แพ่แม่นี่ก็ก็พาไปเป็นนี่เขาเป็นคนใตนะ้เขาก็พาไปสวนมวดให้ไปเล่าจิตประาจาพุทธธาตุคือแม่ก็เตรียมตัวให้น้องอองเนี่ยได้เตรียมรับรเผชิญความตายแต่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาทุกข์มาก ก็อายไอเป็นเลือดแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาถามว่าผมกำลังจะตายแล้วหรือพยาบาลซึ่งอยู่กับเด็กคนนี้มาพอสมควรก็บอกว่าใช่แต่ไม่มีอะไรน่ากลัวหนูเป็นคนกล้าหานเดินไปข้างหน้าได้เลยอาจารย์พุทธธาสรออยู่ในระหว่างนั้นแม่ก็ทาจะทาใจไม่จะทำใจไม่ ทําใจไม่ได้แต่ว่าอพอพยาบาลสงบแม่ก็เริ่มสงบแล้วก็เราก็ช่วยพานําพาลูกเนี่ยให้ให้ใหตามลมหายใจซึ่งก็พอจะตามหายใจได้หายใจเข้าหายใจออกเด็วก็สงบลงแล้ววันนั้นเดียวก็จากไป <Okay. S 1> การที่คนเราจะจากไปงสงบแม้ว่าจะป่วยด้วยโรคร้ายแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่ไปเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงสภาวะเช่นนั้นเพราะเขาไม่มีโอกาสไม่มีคนแนะนําเพราะเขาไม่รู้ว่าการเยรจจียวยารักษาจิตใจเนี่ยมันทําได้แม้กระทั่งในภาวะเช่นนั้นในภาวะเช่นนั้นเนี่ยยาไม่มีความหมายแล้วฮะเทคโนโลยีทัางห้านไ ม, มแทบจะไม่มีความหมายแล้ว แต่สิ่งที่มีความหมายกับเขาเนี่ยก็คือการช่วยประคับประคองจิตใจและถ้าสามารถประคับประคองจิตใจให้เขาสามารถเทียบผ่านความตายไปได้อย่างสงบอันนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าพูดแบบศาธารณก็เป็นโชคมหาศาลแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะและงเทคโนโลยีเท่าไหรก็ทําไม่ได้แต่ว่ามันสามารถจะทําได้ด้วยด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์พยาบาล หมอหรือว่าญาตินี่ญาตของพี่สาวของเพื่อนตามานเนี่ยนะแกเป็นมะเร็งต่อมน ม, มแต่ว่าตอนในตอนสุดท้ายเนี่ยจ็ดวันสุดท้ายเนี่ยช่วงแรกสุดท้ายเนี่ยปรากฏตักเป็นพิษท่อนำดีอดตันแกปฏิเสธ ร, รับการรักษาขอขากลับบ้านหมอก็เป็นห่วงว่าทาไมรักษาจะทำให้เพ้หมดสติได้ ภายในเจดวันนี้ต้องทําให้คุ้มคร่ำเธ้วก็จะหมดสติซึ่งไม่ ร, มรู้ไม่รู้สึกตัวเลยแต่ปรากฏว่าตลอดเจวันที่ตลอดเจดวันสุดท้ายเนี่ยแกมีสติรูต้ ต, ต, ตัวตื่นเกิดโดยตลอดแล้วก็จากไปสงบโดยที่หมอเขาแปลกใจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นจะไม่ได้แกอยู่แกมารับสตุลที่บ้านไม่ได้มีเนนทคโนโลยีทางการแพทย์ใดๆที่จะมาช่วยประคับประคองให้หายเจ็บหายปวด เลยแต่ว่าในอาศัยครอบครัวแม่พ่อพี่น้องลูกหลานซึ่งมาช่วยกันดูแลลูกหลานจากเมืองนอกก็มาให้กําลังใจใกล้ชิดซึ่งทําให้ผู้ป่วยนี้อบอุ่นใจมีการชักชวนทําบุญสวดมนต์ทาสมาธิร่วมกันถึงวันก่อนเสียก็มีการชักชวนให้ผู้ป่วยเนี่ยระลึกถึงพระรัตนตรัยให้จิตใจจดจ่อพระรัตนตรัย แล้วก็มีการมาสุดท้ายก็มีการนำาพาผู้ป่วยให้ขอโอโหสิต่อเจ้ากรรมนายเวรให้ปลดเรื่องสิ่งที่เรารู้สึกผิดทั้งหมดออกไปขอโอโหสิกรรมต่อทุกคนต่อสรรพชีวิตและขณะดียวกันก็ให้โอโหสิกับทุกชีวิตด้วยแผ่สมบูรณ์ให้กับทุกคนมาสุดท้ายเนี่ยนะก็ญาติแม่พี่สาว ก, ก็น้องสาวก็ชักชวนกัน ส่วนบนกัผู้ป่วยหนึ่งพันจดนะหนึ 1, ่งพันจดส่วนแบบแบบจีนนะฮะซึ่งก็มีไม่กี่ไม่กี่คำระหว่างที่ส่วนเนี่ยผู้ป่วยเนี่ก็ยังรู้สึกตัวแล้วก็บอกบอกขอกินข้าวดีวซ้ำวันสุดท้ายน ะ, ะแต่บอกกินข้าวดีวคำสองคำก็ก็ ก, ก, ก, ก็ก็เลิกจนกระทั่งชัวง่วโมงสุดท้ายก็ยังยังทักทานยั ง, ย, งยังตอบสนองคือจําคนได้ แล้วก็แกก็จากไปในอย่างสงบในขณ ะ, ะที่กําลังสวดมนต์อยู่โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าจากไปตอนไหนเหมือนก็หลับไปไม่มีอาการพร่ำพร่ำไม่มีการทุรนทุรายไม่มีอาการเพอร้อหรือไม่ได้มีความหมดสติซึมอย่างที่หมอคาดการไว้และเมื่อรู้ว่าผู้ป่วยได้จากไปเนี่ยทุกคน รู้สึกปลื้มปิติปลื้มปิติที่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เขาในวาระสุดท้ายเป็นของความพิเศษเท่าที่ก็จะทําได้ไม่ได้ให้เงินแต่ว่าช่วยให้เกิดความสงบในจิตใจให้ไปสู่สุคติความตายไม่ได้หมายถึงความเศร้าโศกเสียใจสมดุลไปแต่ความตายนั้นอาจจะนําความปลื้มปิติมาให้ถ้าว่าสามารถจะช่วยทําให้เขาได้ไปสู่สุคติ อันนี้คือสิ่งที่เมาเรียกเยียวยาไะเยียวยาผู้ป่วยเยีย ว, ย, ย, วยาญาติมิตรเยียวยาว่าเขาเนี่ยได้ได้ช่วยทําให้คนที่เขารักเนี่ยจากไปสงบและนี่คือการรักษาใจรักษาใจผู้ป่วยให้จากไปสงบและรักษาใจ ญ, ญาติมิตรที่แม้จะสูญเสียคนรักไปแต่ก็รู้สึกปลื้มปิติที่ได้ทําสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขา และทำไมเรื่รงองการเยียวยาสาใจเนี่ยมันมีความสําคัญมากมีความสําคัญกับผู้ป่วรยระยะสุดท้ายรวมทั้งผู้ที่เป็นโคมา่าหรือผักและทำไมอยากจะย้ำนะว่าถึงไม่จะเป็นโคม่า ก, ก็รับรู้ได้มีมีคนนึงเนี่ยจ ะ, ะประสบอุบัติเหตุหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนะรีบนําส่งโรงพยาบาลขณที่หมอหมอพยายามที่จะช่วย ช่วยกระตุ้นหัวใจจะช่วยกระตุ้นการหายใจเนี่ยก็มีพยาบาลเนี่ยพยายามพยายามสอดท่อเข้าไปเพื่อช่วยการหายใจผู้ป่วยหมดสตินะฮะเป็นหมดสติไปแล้วตัวองคนนั้นเนี่ยผู้ป่วยในยแกมีแกมีฟันปลอมต้องถอดฟันปรอมออพยาบาลก็ถอดฟันปลอมออกหนึ่งที่ต่อมาแกหายอ้าแกดีขึ้นดีขึ้นปรากฏ ว, ว่าพอพยาบาลเดินผ่านมาพยาบาลคนที่ถอดถอดฟันปรอมเนี่ย ผู้ป่วยก็ทักพ่าคุณช่ไม้ที่ถามสันพรวผมเอวังก็ตกใจว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงเขาเห็นฮะเขาเห็นด้วยอะไรในเมื่อเ ข, เขาหมดสติตาก็ปิดอูมีเด็กคนนึ่งอายุเจ็ดขวบมีคนไปนพบเขาอยู่ใต้ใต้สระน้ําอยู่อยู่มีคนไปนพบเขาอยูอยอย่อยู่ใต้สระน้ําเนี่ย เขาอยู่ในนั้นเนี่ย20นาทีแล้วเมื่อเอาเมื่อเอาขึ้นมาก็หมดสติเอาเข้าเครื่องซีสท์สแกนบอกว่าสมองบวมแล้วก็เลือกเป็นกลดมากหมอบอกว่าคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วหลังแบบนี้ต่อมา3วันต่อมาเขาฟื้นฟื้นขึ้นมาเนี่ยแค่นั้นไม่พอเนี่ยเขาเห็นหมอเนี่ยเขาทักหมอแม่ก็สงสัยว่าทักได้ยังไงเขาบอกว่าเขาเห็น ตอนที่เขาโคม่าอยู่สาวันเขาเห็นเขาเห็นหมออยู่สองคนคนห่งมีหนวนหนึ่งไม่มีหนวดและจริงนะเขาอธิบายเขอธิบายคนและสิ่งของในห้องฉุกเฉินได้เขาเห็นด้วยอะไรนะผู้ป่วยมีคนนึงเป็นโรคสมองเส้นเลือดในสมองแตกสมองเสียหายทั้งสองซี่หมอก็บอกว่าสงสัยจะรักษาไม่ไหวนะและในทีสุดแกก็โคม่าไป ตอนที่ไปทําการรักษาเนี่ยหมอเนี่ยมานีแล้วก็มามาตรวจเช็ค อ, อาการจนก็ได้วิธีการไปบีบบีบนิ้วเท้าเขาบิดที่นิ้วหัวแม่เท้าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยก็บอกตอนนั้นเนี่ยจากโคม่านะฮะเป็นบอกว่าไม่รู้บอกว่าปวดมากปวดนะบอกให้หยุดอยากจะพูด ห, หยุดซ่ายหยุดซ่าแต่พูดไม่ออก พอหมอเห็นว่าคนนี้เขาไม่มีอาการตอบสนองก็เลยบอกว่าไอ้ผู้เปิดยคนนี้สันเป็นเป็นผักที่เยื่อแต่เขารอดชีวิตออกมาได้ไม่ได้แล้วรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วเขาก็เล่าวันเนี่ยเขารู้สึกได้นะตอนที่หมอบอกว่าเขาเป็นผักเขารู้สึกเจ็บปวดได้คนที่เป็นผู้มากก็ดีผักก็ดีเนี่ยเขารับรู้ได้นะฮะเขาเห็นเขาได้ยิน เขารู้สึกเจ็บปวดได้เราอาจจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นทุกคนร0ออนะอาจจะบอกงั้นไม่ได้แต่ว่ามันมีตัวอย่างที่เราพบว่าเขารับรู้ได้ใจเขารับรู้ได้แม้แม้ร่างกายเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง mm. เมื่อเรีนนเยนวิทยาสารทารมนะับฉบับหน้าปกคุณทักษินนะเขามีคอลัมน์เขามีเซคชั่นในเกี่ยวกับเรื่องสมอง และมีหมอคนนึ่งเข้าเขียนนะถึงคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งปอดลามไปถึงสมองพอไปเข้าเครื่องซีสท์สแกนพบว่าเนื้อร้ายเกาะกินสมองเกือบหมดเขบอกว่าถ้าไม่เหลือส่วนที่เป็นสมองเลยอย่างนี้เป็นผัลสถานเดียวนะฮะแล้วก็รอวันตายแต่ปรากฏ ว, ว่าวันสุดท้ายในชีวิตของของผู้ป่ยวยคนนี้แกลุกแกลุกขึ้นมานั่งฮคุยกับยา่าแต่หลายลูกเมีย กิยมแย้มอยู่นาน5นาทีแล้วไม่ถึงชั่วโมงก็จากไปผมมอคนนี้ก็สงสัยว่าสมองแยไม่เหลือแล้วนี่และอะไรที่ทําให้ลุกขึ้นมาได้แล้วมาพูดกับคได้อะไรตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดแบบง่ายๆแบบแบบเพศชายผิด ใ, ใจใจมันทำใจมันยังอยู่สมองไปแล้วแต่ใ จ, ใจยังอยู่ ที่พูดมันี้เนี่ยมันพูดถึงกรณีของการรักษาใจสําหรับผู้ป่วยที่หมดหวังซึ่งในสุดก็ต้องตายจากไปแต่ว่าช่วยทำแล้วก็จากไปสงบถามว่ารักษาใจแต่ว่าการรักษาใจในสนักษณะแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ใช้กับผู้ป่วยซึ่งจะต้องตายอย่างเดียนะฮะมีหลายกรณีที่เป็นโคมา่าแล้วอยู่ดีก็ฟื้นขึ้นมาได้เมื่อสองสามปีก่อน BBC ีซีเาทำสารคดีเรื่องเอาเรื่องคีวแมนบอดี้ซึ่งเป็นสารคดีทดี่ดีมากก็พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งะครับ อายุห8สบปดปีแ ก, ปกเป็นโรคเก่ก็ดูสันหลังแล้วก็มีงานกลังมีงานเลี้ยงอยู่ดีๆแกก็หมดสติไปโคมา่าหมอไม่สามารถช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้ลูกชายเนี่ยก็ไม่รู้ทำไงนะก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่ต้องฟืน้นนะเพราะพ่อกำลังจะพาผู้หญิงไปอีกคนไปเที่ยวแล้วล่ะพูดจบแกเปิดตาเลยฮนะรู้ปวยเปิดตารู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลย เราก็บอกว่ายอมไม่ได้หรอกจะให้สามีไปควงผู้หญิงอื่นนะอีกกรณีหนึ่งนะคุณหมออ่ดอาดรสมศักดิ์คูโตติการบดีนิดาลไลายฝังแล้วก็มีการไปเคาร์ดลงในปรฏิชนเมื่อเมื่อปีที่แล้วมีผู้หญิงฝรั่งในเมืองไทยคนนึ่งประสบอุบัติเหตุนะทางรถยนต์หมดสติแล้วก็อาการหนักมากถูกนําส่งโรงพยาบาลไม่มีใครคิดว่าจะรอด การที่หมอและรุรพยาบาลกาลังช่วยชีวิตเธออยู่นั้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอีนี่ไม่น่าตายเลยนมมันสวยเพราว่าเธอได้ยินนะแล้วก็มีกําลังใจขึดสู้ขึ้นมาอันนี้เท็จจริงอยู่ที่พวดเล่านะฮะแต่ว่าอาตอมาคิดว่ามันไม่ใช่กรณีพิเศษเพราะไม่มีกรณหลายกรณีแบบนี้นะคือโคม่าอย่างที่มันจะแย่แย่นแต่มันพอพอใจมันถูกกระทบหลายสิอย่างมันขึ้นมา และหายในในพระเตยพิด ก, ก็มีเรื่องทั้นองนีนะ้ที่หายเพราะว่าใจเนี่ยมันดีขึ้นแล่นทำมาช่วยการรักษาใจหรือว่าการเยียวยาจิตใจเนี่ยมันมันมันมีความสําคัญมากสามารถที่จะมีผลต่อกายหรือแม้จะไม่มีผลเลยแต่ก็สามารถจะช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงวารสุดท้ายที่สงบได้แล่นทำมาคิดว่าจําเป็นมากที่เราต้องพูดถึงเรื่องการรักษาใจ แล้วก็ทําไงเราจะประสานการรักษาใจให้เป็นส่วนหนึ่งของการงานบริการสุขภาพอาตมาะจะเสนออยู่สัก5ข้อนะครพราะเวลามีน้อยอธิเหนือคือว่าการให้ความรักแบบผู้ป่วยความรัก เ, เป็นโอสถความรักความเมตตาความเห็นใจคุณหมออ ม, ารามรามลินาเคยเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งแกประสบอุัติเหตุแล้วก็สมองกระตุกระเทือน ก็ตายวายฉับพลันนะหมดสติไปหมอก็บอกว่าโอกาสรอดมีน้อยแต่แกรอดขึ้นมาได้แกรอดขึ้นมาได้ยังไงนะหมอเทคโนโลยีการแพทย์มีส่วนแต่ว่าส่วนนีงก็เป็นเรื่องของใจเลยนะบอกว่าตอนแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกจะหมดมันมีช่วงที่แกหมดหมดสติเนี่ยใจมันก็จะหลุดออกไปจากล่างเนี่ยสักพักก็รู้สึกว่าบางชั่วมันจะมีคนมันก็กมีมือมันจับที่ตัวแล้วก็แผ่พลังมาพลังนั้นก็มาดึง ดึงจิตที่จะหลุดเนี่ยให้ใหมันรวมกันแล้วก็เกิดความสุขตัวแล้วความสุขตัวก็เลือนลางอีกเสร็จแล้วพอพอมันจะหลุดออกไปก็มีอะไรมาแผ่พลังมาที่ตัวแล้วทําให้เกิดความรู้สุขตัวขึ้นมาอีกเราก็ว่ า, มาเมื่อตื่นเมือม่อเ ม, ม, มื่อฟืน้นมาพบว่ามีพยาบาลขึ้นมาเนี่ยเวลาขึ้นเวรเนี่ยก็จะมาทักทายผู้ป่วยแผ่เมตตาให้ถ้าผู้ป่วยคนไหนคนมากก็มาสัมผัสตัวแล้วก็ ให้กำลังใจ <Yeah. S 1> มือที่สัมผัสด้วยความรักด้วยความเมตตามันมีพลังนะแม้กระทั่งผู้ป่วยคนมากก็รู้สึกได้ <Yeah. S 1> แล้วคนนี้นะแกเพราตอนนี้แกรู้สึกตัวอยู่ฟ <Yeah. S 1> ื้นขึ้นมาบ้างเนี่ยมันจะมีหลายครั้งที่แกรู้สึกว่าจะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องคืนะกลางดึกบอกว่าการหายใจมันลาบากมาก ม, มันก็เข็นอะไรขึ้นขึ้นภูเขา แกาก็ตอนนั้นเนี่ยอยากจะตายเพราะวันตายง่ายเลยแต่แลกก็นึกถึงพยาบาลคนนี้ขึ้นมาว่าถ้าพยาบาลมาเห็นมาพบว่าเขาตายเนี่ยพยาบาลก็อาจจะโทษตัวเองว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าทําให้ผู้ป่วยตายก็เลยบอกว่าก็เลยคิดว่าผู้ป่วยก็เลยคิดว่าจะไม่ตายตอนนี้จะพยายามอยู่ให้จนถึงเชา้าเพื่อที่จะบอกพยาบาลว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณนะถ้าคุณจะตายคิดถึงพยาบาล น, นะเพราะพยาบาลก็ดีกว่าเราก็ทําให้ ผู้ซีอยู่จนรอดจนจนดีขึ้นตอนเช้าพอถึงตอนเช้าก็หลือบอกพยาบาลตอนคืนเป็นใหม่พอถึงตอนเช้าก็หลื อ, าาลอเป็นทีนนห่หลายทางจึงมาทหายนะอันนี้คือความพยาบาลนี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครแค่แผนเมตตาไปอย่างเดียวนะความรักของความรักที่ให้แก่ผู้ป่วยสําคัญนะมีผู้อดุดมีส่วนในการทําให้ผู้ป่วยเขาฟื้นขึ้นมาได้หรือดีขึ้นไว้สองคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยสำคัญก็คือมีเวลาที่จะคุยและฟังหรือรับรู้ความรู้สึกของผู้ป่วยมีคนหนึ่งนะสามีภรรยาในตอนที่ยังไม่ป่วยนี่ก็ดีกันสวานเ อ, เ อ, อมีสวีทหวานนะฮะแต่พอาสามีป่วยหนักเนะี่ยก็งุนงิดใส่ภรรยานะภรรยาทำอะไรไม่ถูกใจที่โรงพยาบาล น, น ะ, ะทอะไรไม่ถูกใจ พอภรยาไปทํางานก็จะโทรศัพท์เรียกมาให้มาหาแต่พอมาพอภรยามาโรงพยาบาก็ไม่พูดอะไรหมดุดหีดสสยเป็นอย่างนี้ตลอดจนกทั่งภรรยานี่ไม่ไหวทนไม่ไหวเอาอย่างไงน้องท่านมาบอกมาคุยมาปรึกษาเพียบบาลเพียาบาลก็เลยไปหาโอกาสไปคุยกับผู้ป่วยผู้ป่วยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกเขากลักวจะตายคนเดย อ, อยจะกลับบ้าน เนกลับบ้านแต่ถ้ากลับบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกั บ, ก, บ, ก, บ, ก, บกับกับกับภรรยาก็กลัวจะเป็นภาระกับภรรยาก็เลยไม่ไม่ได้เล่าให้ฟังไม่กล้าพูดแต่ความรู้สึกแบบป่วยตายความเู้สึตัวตัวมีมีทางหลอกก็ทําให้เกิดความเงี้แล้วก็ระบายใส่ภรรยาพอพยาบาลเนี่มีเวลาคุยกับผู้ป่วยพอรู้เช่นนี้ตัวเลยคุยกับภรรยาภรรยาบอกโอ๊ยก็ไม่ยากอะไรก็เถอะ ตัดสินใจลาพักล้อนแล้วก็พาผู้ป่วยกลับบ้านแล้วไปอยู่กับผู้ป่วยจนั้งผู้ป่วยอยู่กับสามีจนทั้งสามีจากไปแล้วก็ดีใจมากเาะว่าในครั้งในวรนสุดท้ายงชีวิตเนี่ยเขาได้มีเขายังมีโอกาสได้ลางงานเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้เนี่ย พ, พยาบาล น, นี่ช่วยให้ผู้ป่วยเขาจากไปอย่างสมงดและภรรยาก็รู้สึกดี แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าพยาบาลนี่มีปฏิสัมพันธ์เขาฟังนะเขาเอาใจใส่เขาพยายามที่จะใส่ใจความรู้สึกของผู้ป่วยมีผู้ป่วยคนนึงเป็นหมอพราหมนะฮะป่วยหนังที่เกิดที่หันใหญ่ป่วยหนักนะกระสับกระสายเวลาให้ยากระสับกระสายเนี่ยพยายามทุรนทุรายเนี่ยแม้ต้งและมีปฏิกิริยาต่อสู้กับเครื่องช่วยชีวิตมาก โรยบาลก็สงสัยนะถามลูกพ่อเป็นอะไรก็ก็ไม่ได้ความแต่ว่าหลังจากที่ได้อยู่กับอยู่ใกล้อยู่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนที่รักวิชา mm hmm. ก็เลยดาว่าที่เขากระสับกระสายเนี่ย mm hmm. เพราะว่าคงไม่มีใครสืบทอดวิชาเพราะว่าลูกนี้ก็ก็ไม่เอาด้วยลูกไม่เอาทางนี้เลยนะ mm hmm. ก็เลยหาทางช่วยนะ เราเพิ่ได้ข่าวว่ามันก็มีคนมุงซึ่งก็เคยมาเรียนวิชานี้กับหมอพรามแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นศิษย์อะไรกันก็เลยไปขอให้ตรงนี้เนี่ยเป็นศิษย์ผู้ป่วยแล้วก็ขอรับเป็นพอเป็นศิษย์แล้วก็มาบอกผู้ป่วยกับซิบกับผู้ป่วยว่ามีคนมาเป็นศิษย์แล้วเขาก็หายหายกระสับกระส่ายนะเขาก็จับไปสงบอาการกระสับกระส่ายเนี่ย มันไม่มีสัญญาณบอกว่าเขาทุกข์เรื่องอะไรแต่การมีปฏิสัมพันธ์และการใส่ใจผู้ป่วยก็ทําให้รู้เ้ามีความทุกข์เรื่องอะไรแล้วก็สามารถช่วยเขาได้และความที่ไม่ความการที่กระสับกระสายไปนี่มันไม่ได้เพราะลิจารยเลยนะแต่เพราะว่าใจนี่หมดห่วงแล้วใจนี่หมดหวัวมีลุงคนนึงป่วยหนักเป็นโกกรคระยะสุดท้ายกระสับกระสายมากนะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแกอยู่ห้องไอซียพูดพูดไม่ได้ก็ก็เขียน เขียนว่าเชียงใหม่คุยกับหมอเนี่ยหมอคนนี้ก็ใส่ใจนะนี่เาเป็นอะไรนะเียเขาว่าเชียงใหม่แล้วกระสับกระส่ายมากเลยให้ยาก็ก็ก็เพลาลงกอยามหมืนทีก็กระสับกระส่ายเหม่เป็นอย่างนี้หลายครั้งหมอก็คงจะจับจับได้ว่านี่เขาคงมีอะไรกังวลสักอย่างแล้วมันคงเกี่ยวข้องกับเชียงใหม่ไปคุยกับลูกลูกก็เลยนึกเดาว่าเนี่ยสงสัยว่าคงเป็นเพราะว่าผู้ป่วยคนนี้จะ แกได้อุทิศร่างกายให้กับคณะแพทย์ที่เชียงใหม่แล้วแกลวแกลัวว่าแกตายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ทําให้ความสมหวังไม่ทําให้ตรงนี้สมหวังหมอทําไงหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะจะจะช่วยจัดการให้ถ้าหากว่าไม่สะดวกที่ถ้าตรงยำเชียงใหม่ไม่สะดวกทางจุฬาก็ยินดีรับได้แล้วเขาก็มีความผ่อนคลายมากเลยนะรายนี้ก็เลย ตายอย่างสงบเช่นเดียวกนนันการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยช่วยมากเลยนะมันไม่ต้องใช้ยาใช้แต่ความใส่ใจและการที่เขาจับไปอย่างสงบเนี่ยถือว่าเป็นของขวัญล้ําค่าที่คนคนนึงจะได้รับจากเพื่อมนมนุษย์กันการที่3นะการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับครอบครัวผู้ป่วยเนี่ยเขาจะสูญรอทุกเนี่ยขึ้นอยู่ผู้กับครอบครัวมาก บางทีความทุกข์ของเขามันก็อยู่ที่ครอบครัวและความสุของเขาก็เกิดจากครอบครัวมีกรณีหนึ่งเนี่ย เ, เป็นผู้ป่วยซึ่งซึ่งซึ่งไตเนี่ยวายก็จำเป็นต้องออล้างตไตก็มีความทุกข์ทรมามาผู้ป่วยทางลูกเนี่ยลูกชายก็พยายามที่จะให้หมอเต็มที่เลย แต่หมอเนี่ยท่านตระหนักดีว่าวิธีนี้มันคงไม่ใช่ดีต่อผู้ป่วยหรอกเพราะว่าผู้ป่วย ก, ก็ทรมานแต่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าอย่าทํำนะแต่ให้ผู้ที่คิดว่ามันมีอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นก็บอกว่านในเวลานี้ผู้ป่วยเนี่ยเขาต้องการเวลาที่จะอยู่กับอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัว แล้วถ้าเขาได้ตายอย่างสงบเนี่ยมันมีคุณค่าสัมผัมีคุณค่ามากกับาเขาผู้เปกครองลูกก็ได้คิดขึ้นมากนะ็เลยบอกว่าถ้ามันมีวิธีที่ดีดกว่านั้นเขาก็บอกว่างั้นก็ไม่ต้อง้างตไงนะเขาบอกว่าเขาอยากใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนี้อยู่กับพ่อแล้วเขาก็คุยกับพ่อถึงเรื่องความรู้สึกดีๆสมัยที่เคยเคยเป็นเด็กสมัยที่ได้ใช้ชีวิตลูกกันกับพ่อ ตอนนี้ได้เห็นได้ตรหนักว่าตัวเางนี่ไดทำความดีอะไรให้กับลูกที่ลูกประทับใจก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจในชีวิตแล้วก็กจากไปสงบนะมีกรณีหนึ่งก็น่าสจจนใจเหมือนกันนะนี่เกิดที่นิวซีแลน ด, ด์ผู้ป่วยเลี้ยสุดท้ายอ7ิเจ็ดนะแม่กับลูกนี่เฮินห่างกัน ไม่ค่อยคุยกันเลยแม่ก็ไม่เคยลูกเวลาป่วยก็ไม่เคยก็ไม่เคยบอกแม่ว่าป่วยแลวเมื่อป่วยแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่เคยปลอบใจลูกอะไรเลยมันมีความมือนฐานกันมากระหวมาแม่กับลูกและเมื่อลูกใกล้ตา ย, ยแม่รู้สึกแย่มากเลยที่ว่าเวลาลูกทุ ก, ก็ไม่เคยมาปรึกษาและเมื่อลูกป่วยแม่ก็ไม่เคยได้มาช่วยลูกเลย หมอก็สังเกตนะว่าแม่นี้ถ้าทาไม่ค่อยดียังพร้อมลูกใกล้ตายเนี่ยหมอก็ชักชวนให้แม่เนี่ยมามาดูแลมาดูแลลูกด้วยตัวเองแทนที่จะให้พยาบาลก็ให้แม่นี่แหละมาดูแลลูกเช่นเอาน้ํามันทาปากมาเช็ดตัวเช็ดสิ่งเช็ดน้ํมน า, ามูกน้ําตาต่างๆเพราะตอนนั้นเนี่ยนะเขา มันเทคโนโลยีต่างาแทบจะไม่ได้มีความหมายเลยแต่เขาคิดว่าเปิดโอกาสให้แม่เนี่ยมาดูแลลูกมาสัมผัสลูกมาเช็ดตัวให้ลูกตรงนี้มันมีความหมายมากความหมายทั้งต่อแม่และต่อลูกอันตราคิดว่าเนี่ยการส่งเสริมให้มีส ม, มันธภาพระว่างผู้ป่วยกับญาติเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอันหนึ่งซึ่งจะช่วยต่อจิตใจของผู้ป่วยและญาติได้ ข้อที่คือการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยด้วยกันในโรงพยาบาลอันนี้อย่างที่อาตมายุติอย่างผู้ป่วยมะเร็งต้านมอที่เขาได้มีโอกาสมาพบปากกับผู้ป่วยด้วยกันอาทิตย์ละชั่วโมงครึ่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วหนึ่งปีเนี่ยมันมีผลต่อการเพิ่อมอัตราการอยู่รอดในโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนต่าง ม, มีความทุกข์แต่ถ้ามีถ้าเอามาแชร์กันบางทีเกิดกำลังใจก็มเมื่อคกรุงเทพนะฮะ พอมีจอสอแล้วพอมีจอสอ ร, ร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าจราจรมันดีขึ้นนะแต่เพราะว่าคนทุกมามาแบ่งปันมาปรับทุกกันเราก็รู้ว่าที่อื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันอยู่ที่นนทบุรีไม่ใช่รถติดที่เดียวสุขุมวิทก็ติดด้วยเออนั่นก็แห้มั่นชัวหน่อยหรือเห็นว่าคนอื่าแยกกับเราก็รู้สึกดีขึ้น การที่การส่งเสริมการให้ผู้ป่วยนี้ได้ทําสมาธิภาวนาหรือการทำเครศาสนาตมาคิดว่าก็มีส่วนสําคัญมากนะครแต่แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีศรัทธานในศาสนาหรือมีความสัมพันธลึกซึ้งในศาสนาแต่ว่าการส่งเสริมตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้ผู้ป่วยเข า, ารู้สึกดีขึ้นในหลายคนประการที่หกที่เจ็ดตมาจะเน้นนะคือการเรื่องการส่งเสริมอาสาสมัครในโรงพยาบาล อาสาสมัครนี่มีข้อดีอยู่อย่างน้อยเพื่อเธอจะมาเห็นทั้งสองสาประการนะต่อผู้ป่วยเองก็คือว่าอาสาสมัครเนี่ยเนื่องจากเขามาไม่ได้เขามาอาจจะมาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองวันสาวันเนี่ยเขาจะไม่เครียดจากงานที่ต่อเ น, นื่องยืดเยื้อเหมือนหมอโระพยาบาลหมอโระพยาบาลเนี่ยทางานเครียดนะซึ่งต่างจากอาสาสมัครซึ่งเขามาเจอเหตุการณ์อาจจะไม่บ่อยไม่จำเจนกับหมอโรงพยาบาล เพราะนั้นเขามีความสดความใหม่ซึ่งเมื่อเขามาปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยแล้วเนี่ยความสดความใหม่ก็ช่วยทําให้ผู้ป่วย ด, ดีขึ้นไอ้สอนนี่อาสาสมองโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนธรรมดาซึ่งจะไม่ได้ถูกเทรนมาให้ใหมาตรวจจอหรือจดจ่อแต่เรื่องของทางกายก็จะสนใจมิติด้านอื่นด้วยเพะั้นการที่พูดคุยผู้ป่วย ด, ด้านอื่นเนี่ยก็จะทําให้ได้เห็นปัญหาของผู้ป่วย ด, ด้านอื่นๆที่ไม่ได้ด้านกายภาพแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการ ชุกชูจิตใจได้ให้คําปรึกษาชี้แนะในเรื่องชีวิตอย่างที่ตมาบอกคนเรามีปัญหาก็หนีไม่นเรื่อง4อย่างเนี่ยเรื่องวัตถุเรื่องร่างกายเรื่องทรัพสมบัติเรื่องงานการแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ประการสำคัญอีกประการ น, นึงคือว่าอาสาสมัครเนี่ยมีสถานะภาพที่ใกล้เคียงของผู้ป่วยซึ่งต่างจากหมอและพยาบาลซึ่งโดยโครงสร้างในระบบบริการสุขภาพแล้วเนี่ยพยาบาลและ พยาบาลและหมอเนี่ยอยู่บนอยู่ในมีอำนาจเหนือผู้ป่วยอยู่บนโครงสร้างแบบอยู่บนยอดพีรามิดซึ่งมีผู้ป่วยอยู่ที่ฐานเราจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าตามเนี่ยผู้ปุ๊กพยาบาลและแพทย์นี่มีอำนาจโรงพยาบาลคือคือสถานที่ให้อำนาจแก่แพทย์และพยาบาลแตท่ทุกอย่างถูกจัดเพื่อประโยชน์ของแพทย์และพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยในความสาัมพันธ์ทางอำนาจแบบนี้เนี่ย ผู้ป่วยจะอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่การที่มีสาราสมัครซึ่งมีสถานะภาพใกล้เคียงเนีเขาเนี่ยมันทำให้เกิดความเป็นเพื่อนได้ง่ายแล้วตามาคิดว่าสาสมัครเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะคนทางนอกเท่านั้นนะตามาคิดว่าอยากจะเสนอแน่ต่อไปด้วยว่าถ้าเราจะเอาสอ า, าสมัครเข้ามาทํางานเนี่ยนะหรือเพระกาเนเยี่ยมผู้ป่วยนอกนอกจากผู้ป่วยจะดีขึ้นแล้วเนี่ยส า, าสมัครก็ดีขึ้นด้วย อาตมาได้มีโอกาสพาอาสาสมัครไปเยีย่ยมผู้ป่วยหนักระยะสุดท้ายหลายครั้งเพราะอาตมาทําโครงการลด ป, รปะชิงความตาอย่างสงบ ก, ก็พบ ว, ว่าผู้ป่วยเนี่ยนะเขาสุขดีขึ้นที่มีคนที่เขาไม่รู้จักเนี่ยเอาแคร์เข้ามาใส่ใจเขาไม่ใช่แค่ยากิศไม่ใช่แค่เพียบบารู้สุกดีขึ้นเพียงแค่คนมีใครที่เขาไม่รู้จักไม่รู้จักชื่อเลยซ้ำเนี่มาหาก็มาคุยกับเขาไม่ถึงชั่วโมงเดียสั้นเขารู้สึกดีขึ้นนะถ้าเรามีอาสาสมัครนี้เข้ามาอยู่เสมอเสมอเนี่ย มันช่วยผู้ป่วยได้และอาตมาคิดว่า อ, อาสาสมัครเนี่ยมันไม่ไม่น่าจะเป็นเฉพาะคนภายนเราเท่านั้นแม้กระทั่งพยาบาลเนี่ยก็ควรจะเป็นอาสาสมัครด้วยทําไมฮะอาตอมาเคยเคยเคยเวลาจัดอบรมความตายเพื่ออย่างสมงบเนี่ยพยาบาลที่มาอบรมเนี่ยอาตอมาก็ชักชวนให้ไปเยี่ยมผู้ป่วยแต่ไม่ใช่เยี่ยมผู้ป่วยในฐานะพยาบาลแต่เยี่ยมผู้ป่วยในฐานะที่เป็นคนธรรมดา ใหม่ๆพยาบาลอะไรรู้สึกอัดไม่แน่ใจประมาทประมานะฮะที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยท่านังที่ก็ตัวเองก็ไปเจอผู้ป่วยบ่อยแต่เพราะว่าการไปครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปในฐานะพยาบาลแต่ไปในฐานะของคนธรรมดาการไปในทัพพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยแล้วก็มันมีบทบาทที่จํากัดก็คือเรื่องทางกายภาพแต่เมื่อต้องไปในฐานะของคนธรรมดาเนี่ยเขต้องสนใจเรื่องอื่นด้วยซึ่งเขาไม่ถนัดสนใจเรื่องจิตใจสนใจเรื่องความเป็นอยู่ เพราะไม่ถนัดพยาบาลเลยเพไม่ถนัดเพราะไม่ได้ถูกฝึกมาทางนี้เพราะมานะแต่พอได้ไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นและรู้สึกว่ามันได้เปิดทัศนว่งเขาเกี่ยวกับผู้ป่วยให้กว้างกับเรื่องของจิตให้กว้างกับเรื่องของร่างกายแม้แต่มาชื่ว่าบางครั้งเนี่ยลายต้องเอาลายต้องมีน่าจะมีพยาบาลแม้แต่ในโรงพยาบาลเดียวกันนี่แหละแต่ว่าทอดบทบาทการเป็นพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยอาจจะคนละ ward เป็นเป็นอาสาสมัครนอกอาสาสมัคร อีกบอร์ดหนึ่งนะซึ่งมาเพื่อถ้าหากว่ามาได้เป็นการเพิ่มภาระแก่พยาบาลจะช่วยได้มากช่วยต่อพยาบาลเองและช่วยต่อผู้ป่วยด้วยแล้วนะต่อมาสุดท้ายนะคือการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเวลาที่มีหลายแห่งที่มีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึ่งอนุมาเคื่ออันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยได้มากขึ้นเพราะว่าไอ้โครงสร้างหรือบรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ย มันไม่ให้โอกาสที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาลเท่าไหร่แต่เราควก็มีเวลาจำกัดแล้วก็สนใจในเฉพาะเรื่องสนใจในเฉพาะเรื่องกายภาพแล้วก็มันบางทีมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจหรือเพราะผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าโรงพยาบาลเป็นมันเป็นถิ่นของมันเป็นถิ่นของแพทย์และพยาบาลที่เขต้องยอมแต่ถ้าพยาบาลนี่ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยบ้านเป็นของเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกความปร่งมากขึ้น การที่ผู้ป่วยจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยจะทําให้พยาบาล น, นี่เห็นปัญหาผู้ป่วยจะรอบด้านมากขึ้นมีผู้ป่วยบางคนนะฮะพยาบาลท่านก็เลาใ้ฟังว่ามีคนนึงมามาป่วยหนักเลยมารักษาที่โรงพยาบาล น, นะโรงพยาบาลก็ทางพยาบาลก็รักษาเสร็จก็ให้ก็สั่งยาไปให้เป็นยาที่ระงับปวดพอไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยบอกไม่กินยา ผู้ป่วยไม่อยากกินยาอ้างว่าจะนั่งสมาธิบว่าจะทําสมาธิให้หายแต่พอให้ทําสมาธินั่งสมาธิด้วยกันผู้ป่วยก็บอกว่าสมาธิก็ไม่ได้ช่วยให้หายปวดเลยเรงพยาบาลก็เลยถามว่าทําไมไม่ไม่ไมมกินยาเขาก็เลยตอบว่าไม่มีเงินซื้ อ, อยาไม่มีเงินซื้ อ, อยาจนแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้า เขาบอกว่าเขายอมตายดีกว่าที่จะให้ครอบครัวเดือดร้อนเพราะ้าเขาซื้อยาแก้ปวดเนี่ยหมายถึงครอบครัวเขาจะไม่มีข้าวกินนี่มีอะไรจะไม่จะลําบากเขายอมตายนะไอ้สิ่งนี้เนี่ยเขาจะไม่พูดหรืออาจจะไม่พูดเลยรยาบาลแล้ะหมอจะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาไม่กินยาเพาไม่กินยาเพราะเขาไม่มีเงินจะซื้อครัแล้วสิ่งนี้ปัญหาที่ง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไม่ฟังเขาไม่มีโอกาสอยู่เขาเขาก็จะไม่พูด หรือเขาพูดเราาจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าชีวิตวิตที่มันระ บ, บบโรงยาบาลซึ่งมันเล็งลีนในธรมะชื่อั่นอันนี้คือคือภาษาของคือสิ่งที่เขาจะสื่อสารออกมาและในการรักษาใจเราต้องไวต่อเรื่องพวกนี้ครับนนการที่ทำาิธีนี้เนี่ยมันต้องมีการจัดแต่งในเรื่องของบรรยากาศเรื่องของสถานที่ซึ่งธรรมาคิดว่าจาเป็นต้องมีการทาสถานที่สาหรับ สิ่งที่จะมาพูดมาเช่นการทําสถานที่สําหรับกา ร, ท, ำำรทําสมาธิสวดมนต์ซึ่งหลายแห่งก็ทําแล้วการทําสถานที่เพื่อเอื้อให้ครอบครัวกับอยู่ด้วยกันกับผู้ป่วยซึ่งมีปัญหามากเพราะว่าห้อง ICU ีเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้ครอบครัวอยู่กับผู้ป่วยได้เท่าไหร่บางครั้งเนี่ยผู้ป่วยเขาไปอย่างสงบได้หรือว่าดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยยาแต่เพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้อยู่กับผู้กับครอบครัวของเขา จำเป็นต้องมีการทำห้องให้คำแนะนำผู้ป่วยนะมีเราโรงพยาบาลบามงพวยบาลนะฮะสมัชชัยทราบเช่นโรงพยาบาลที่สมุทรปราการเนี่ยทำห้องสบายใจน ะ, ะไม่ทราบตัวนี้ไม่ทราบว่าชื่อที่ถูกลูกปลานะฮะเป็นห้องที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยให้ใหญาติมิตรเนี่ยมามาระบายมาบน่นเกี่ยวกับปัญหาในโรงพยาบาลและคนที่มาประจําห้อง สบายใจนี้ก็เป็นพยาบาลแต่ว่าไม่ไม่แต่งชุดพยาบาลแต่งชุดธรรมดาลำลองแต่งชุดสวยนะพูดง่ายนะเขาใช้เขาใช้คำนี้นะบอกว่ามันช่วยลดความขัดแย้งระหางผู้ป่วยกับเพยาบาลได้มากแตมาคิดว่าถ้ามันมีผู้ห้องแบบนี้สําหรับการแนะนําผู้ป่วยหรื อ, อยาก น, นิดที่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนะี่แล้วก็มีพยาบาลนอกพื้นแบนที่มาช่วยดูแลมาให้คําแนะนําก็จะช่วยได้มาก ไม่มีเวลาที่อธิบายนะฮะคราวนี้นอกจากการจัดการในเรื่องของสิ่งแวดร้อนที่เป็นกายภาพแล้วเรื่องของสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ก็สําคัญนะเช่นการกระจายการบริการออกจากโรงพยาบาลสู่ท้องถิน่นสู่ชุมชนหรือแม้กะทังสู่ที่บ้านเพราะว่าถ้ากระจายบริการออกไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ พยาบาลมีเวลาหมอ ม, มีเวลาผู้ป่วยมากขึ้นขณะเดียวกันผู้ป่วยที่อยู่ในท้องถิ่นก็ได้รับการดูแลใจใสายจากบุคลากรในระบบสุขภาพไม่ว่าจะเป็นที่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่อนามัยหรือแม้กรั่งเป็นที่บ้านเป็นที่บ้านก็ทํำก็เป็นไปได้จัดบริการหรือจัดการบริหารใหม่ที่เสริมสร้างสมรรถภาพระหว่างบุคลากรในสามพยาบาลแตมาพบว่าแตมาเคยทําช่วยทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความขัดแจ้งในระบบบริการ เพราะในโรงพยาบาลแล้วก็พบว่า็นปัญหามากความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลมีผลในการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่มากกว่า น, น้อยเพราะฉะนั้นการที่จะช่วยรักษาใจใผู้ป่วยดีขึ้นได้เนี่ยตัวพยาบาลตัวหมอพนักงานก็ต้องมีความสุขที่ดีไม่เครียดเพราะนั้นระบบความสัมพันธ์กับแพทย์พยาบาลก็ต้องดีด้วย การต่อมาคือการจัดการศึกษาเพื่อต่อการรักษาใจของผู้ป่วยเช่นลักสื่อลูกเรียนแพทย์เนี่ยเรื่องของสุขภาพองค์รวมก็ดีเรื่องการสื่อสารผู้ป่วยก็ดีสําคัญเวลาพูดถึงการสื่อสารเนี่ยอัตมาไม่ได้มายถการพูดยังไงไม่ให้ผู้ป่วยก็ต้องกระเทือใจเวลาจะบอกข่าวล่าจะบอกยังไงเท่านั้นหรือว่าจะพูดปลอบใจเขายัางไงเท่านั้นแต่มาถึงการฟังด้วยนะฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะรู้ภาษาที่เขาอาจจะเขาพูดอย่างแต่เขาตั้งใจจะบอกเราอย่าง อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยการความยินตั้งใจการอบรมในสถานพยาบาลจําเป็นเวลาเนตเอร์มาที่เข้าไปมีส่วนช่วยการจัดอบมรมเผชิญความตายสงบในให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งให้กับบุคลากรหลายบุคลากรสารณสุข ห, หลายแห่งก็พบ ว, ว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะในการช่วยรักษาใจอนตามาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็ยังควร ม, มีเวลาอยู่เกิดจะมีท่านใดสงสยัย ต้องขออภัยที่ต้องพูดอย่างรวดลัดนะเพราะเวลา